ทีปวักว่าด้วยการมีตนเป็นเกาะหนึ่งอตตะทีปสูตรว่าด้วยการมีตนเป็นเกาะ43เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง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 เพราะรูปแปลผันเป็นอย่างอื่นโซกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปยาจจึงเกิดขึ้นแก่เขาพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาเวทนาของเขาแปลผันเป็นอย่างอื่นเพราะเวทนาแปลผันเป็นอย่างอื่น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 วิญญาณของเขาแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะวิญญาณแปรผันเป็นอย่างอื่นโซกะปริเทวะทุกโทมานต์และอุปยาจึงเกิดขึ้นแก่เขาภิษุทั้งหลายก็เมื่อภิษุรู้ว่ารูปไม่เที่ยงแปรผันไปคลายไปดับไปเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปในการก่อน และรูปทั้งปวงในบัดนี้ล้วนไม่เทียงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาก็จะละโสกะปริเทวะทุกขโทมนตและอุปยาตได้เพราะโสกะเป็นต้นเหล่านั้นจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุ้งก็อยู่เป็นสุขภิกษุผู้อยู่เป็นสุข ก, กรา่ากล่าวว่าผู้ดับกิเลสแล้วด้วยองค์ธรรมนั้น ก็เมื่อภิกษุรู้ว่าเวทนาไม่เที่ยงแปรผันไปกลายไปดับไปเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าเวทนาในการก่อและเวทนาในบัตดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาก็จะละโสกปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปยาตได้ เพราะลาโสกะเป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุ้งก็อยู่เป็นสุขพิกษุผู้อยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับกิเลสแล้วด้วยองค์ธรรมนั้นก็เมื่อพิกษุรู้ว่าสัญญาไม่เที่ยงก็เมื่อพิษุรู้ว่าสังขารไม่เที่ยงแปรผันไปคลายไปดับไปเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า สังขารในการก่อนและสังขารทั้งปวงในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาก็จะล้าโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตและอุปยาตได้เพราะล้าโสกะเป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุ้งก็อยู่เป็นสุขภิกษุผู้อยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับกิเลสแล้วด้วยองค์ธรรมนั้น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 จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมอยู่เป็นสุขภิกษุผู้อยู่เป็นสุขกล่าวกล่าวว่าผู้ดับกิเลสด้วยองค์ธรรมนั้นอัตตะทีปสูที่หนึ่งจบสองปฏิปทาสูตรว่าด้วยปฏิปทาส4ิบสเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิปทาที่ให้ถึงสักยะสมุ ท, ทยัยเหตุเกิดแห่งสักยะและปฏิปทาให้ถึงสักยะนิโรธความดับแห่งสักยะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังปฏิปทาที่ให้ถึงสักยะสมุทัยเป็นอย่างไรคือปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับ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 นี้เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงสักยะสมุทยัยคำว่าปฏิปทาที่ให้ถึงสักยะสมุทัยดังกล่าวมานี้เราเรียกว่าการพิจารณาเห็นที่ให้ถึงทุกขสมุทยัยนี้เป็นใจความในข้อนี้ปฏิปทาที่ใหถึงสักยนิโรธเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะ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 คำว่าปฏิปทาที่ให้ถึงสักยะนิโรธดังกล่าวมานี้เราเรียกว่าการพิจารณาเห็นที่ให้ถึงทุกขนิโรธนี้เป็นใจความในข้อนี้ปฏิปท 2, าจจสูตรที่สองจบสามอนิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง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 ถ้าจิตของภิกษุใครกำนัดจากรูปธาตุก็เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วจากอสุวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นถ้าจิตของพิกษุใครกำนัดจากเวทนาธาตุถ้าจิตของภิกษุใครกำนัดจากสัญญาธาตุถ้าจิตของพิกษุใครกำนัดจากสังขารธาตุถ้าจิตของพิกษุใครกำนัดจากวิญญาณธาตุก็เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้ว จากอสว瓦ทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเพราะความหลุดพ้นจึงตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นจึงสันโดษเพราะสันโดษจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับไปเองภิกสุนั้นรู้ชัดวาชาสิ้นแล้วหยุดจบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันนี้จะสูตรที่สาม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 ในสังขารจิตก็คลายกำหนัดในวิญญาณหลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเพราะหลุดพ้นจึงตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นจึงสันโดษเพราะสันโดษจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับไปเองภิกษุนั้นรู้ชัดชาติสิ้นแล้วอยู่จบพระมจาจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ทุติยะอนิจจสูตรที่สจบหาสมานุปัสสนาสูตรว่าด้วยการพิจารณาเห็น 47. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามหลาวได้ล่าหนึ่งเมื่อพิจารณา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 ไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษหนึ่งพิจารณาเห็นร <french> ูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอ MM <onne> <t cje anan> ัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูป 2. พิจารณาเห็นเวทนา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 เมื่อผู้นั้นยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นย่อมเกิดอินทรีย์ห้าประการคือหนึ่งจากขุนศีอินทรีย์คือจากขุประสสัดสโสตินรีย์อินทรีย์คือโสตประาศาสตร์สคานินทรีย์อินทรีย์คือคานาปสาัสสัดสีชิวหินรียอินทรีย์คือชิวหาประาศาสตรห้า กายินรีอินซีคือกายประสาทภิกษุทั้งหลายมโนโมีอยู่ทมทั้งหลายมีอยู่อวิชชาธาตุมีอยู่เมื่อปุทุชนผู้ไม่ได้สดับถูกความเสวยอารมณ์ซึ่งเกิดจากอาวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้วเขาเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นบ้างเราเป็นนี้บ้าง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 เมื่อเป็นเช่นนี้อริยาสาวกผู้ได้สะดับก็ละอวิชาในอินทรีย์เหล่านั้นวิชาจึงเกิดขึ้นเพราะอาวิชาคลายไปพระวิชาเกิดขึ้นอริยาสาวกนั้นจึงไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นบ้างเราเป็นนี้บ้างเราจักเป็นบ้างเราจักไม่เป็นบ้างเราจักมีรูปบ้าง เราจกไม่มีรูปบ้างเราจะมีสัญญาบ้างเราจักไม่มีสัญญาบ้างเราจกมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่บ้างสมนุปปัสนาสูตรที่ห้าจบ6ขันท่าสูตรว่าด้วยขันสีิ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 หนึ่งรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาหรือละเอียดเลวหรือประนีตไกลหรือใกล้ก็ตามประกอบด้วยอสวะเกื้อกูลแก่อุปทานนิ้วเรียกว่ารูปูปทานคขันอุปทานคขันคือรูปสอง เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไกลหรือใกล้ก็ตามประกอบด้วยอสวะเกื้อกูลแก่อุปทานนี้เรียกว่าเวทโนปทานคขันอุปทานคขันคือเวทนา 3. สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งไกลหรือใกล้ก็ตามประกอบด้วยอสวะเกื้อกูลแก่อุปทานนี้เรียกว่าสัญญาปทานนขัน อุปทานอัคาคือสัญญาสสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งประกอบด้วยอาสวะเกื้อกูลแก่อุปทานนิ้วเรียกว่าสังขารูปทานอันาอุปทานอันาคือสังขาร 5. วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไกลหรือใกล้ก็ตามประกอบด้วยอาสวะเกื้อกูลแก่อุปทาน นิ้วเรียกว่าวิญญาณูปทานาขันอุปทานาขันคือวิญญาณภิกษุทั้งหลายลาวนิ้วเรียกว่าอุปทานาขันห้าประการคันธสูตรที่หกจบเจ็ 7. โซนสูตรว่าด้วยโซนะข่าบดีบุตร4ี่สิบเก้า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 อยู่จบพรมจทรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปโซนสูตรที่เจ็จบ 8. ทุติยโซนสูตรว่าด้วยโซนัคหบดีบุตรสูตรที่สองห้าสิบข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่ง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 ไม่รู้ชัดความเกิดขึ้นแห่งสังคารไม่รู้ชัดความดับแห่งสังคานไม่รู้ชัดปฏิปัทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังคานไม่รู้ชัดวิญญาณไม่รู้ชัดความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณไม่รู้ชัดความดับแห่งวิญญาณไม่รู้ชัดปฏิปัทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณสมณะหรือพรามเหล่านั้นเราไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ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 เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นรูปที่ไม่เที่ยงนั้นแล ว, ว่าไม่เที่ยงความเห็นนั้นของเธอเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเธอเห็นโดยชอบก็ย่อมเบื่อน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลิน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 จึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วนันทิกะขยะสูตรที่เกจบสิบุติยะนันทิขยะสูตรว่าด้วยการสิ้นความเพลิดเพลินสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมณสิการรูปโดยแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงเมื่อภิกษุมณสิการรูปโดยแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วเธอทั้งหลายจงมนสิกการเวทนาโดยแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งเวทนาตามความเป็นจริงเมื่อภิกษุมนสิกการเวทนาโดยแยบคายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งเวทนาตามความเป็นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายในเวทนา เพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพน้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วเธอทั้งหลายจงมานสิการสัญญาโดยแยบคายเธอทั้งหลายจงมนสิการสังขารโดยแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารตามความเป็นจริง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 เพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วทุติยนันทิขยสูตรที่สิบจบอัตตีปวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวร์ดนี้คือหนึ่งอัตตีปสูตร 2. ปฏิปทาสูตร 3. อนิจจสูตร 4. ทุติยอนิจจสูตร 5. สมนุปัศนาสูตร 6. ขันธสูตร 7. โสนสูตร 8. ทุติยโสนสูตร 9. นันทิขยะสูตร 10. ทุติยนันทิขยะสูตรมูลปัญ น, นาจบบริบูรณ์รวมวัคที่มีในมูลปัญธาตนี้คือหนึ่งนาุลปิตุวัค 2. อ, อนิจจวักสาภารวักค4่นตุมหากวักห้อัตถีปวกักรวมห้าวักเรียกว่าปัธมปัญ น, นาต